ก่อนเข้าพระอุโบสถต้องกล่าวคำวันทาเสมาดังนี้อุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอ ป, ปราทังคามัทธเมพันเตมยากตะตังปุญยญ า, ามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญามัยหังทาตับพังสาธุสาทุอนุโมทามิแล้วลงนั่งคุกเข่ากล่าวคำว่าดังนี้ สับพังอปปราทังคมทะเมพันเตอุกาสะทวารตเะเยนกตังสัพพังอปปราทังคามทะเมพันเตอุกาสะมามิพันเตแล้วลุกขึ้นยืนกล่าวคําว่าดังนี้วันทามิพันเตสัพพังอปปราทังคมทะเมพันเตมยากตังปุญญ์ยังสามินาอนุโมทิตพัง สานีนากะตังปุณยังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วหน้าก็ขึ้นมาหน้าพระอุโบสถโปรยทานและบิดามารดาพร้อมทั้งญาติทั้งหลายจุงมือหน้าเข้าพระอุโบสถแล้วก็ทำการบูชาพระรัตนตรัยต่อพระประธานในโบสถ์ว่าดังนี้พุทธบูชามหาเตชวันโต ธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภควะโหติโรกนาถังอภิปูชยามิเสร็จแล้วก็กลับมารับผ้าไตราจากบิดามารดาแล้วก็เดินเขา่าเข้าไปหาพระอุปัชฌายะแล้วถวายเครื่องสักการะ